คุณไม่สามารถค้นหาหากคุณไม่เป็นอิสระจิตที่จะสืบคน้นผมจงใจใช้คำว่าสืบคน้นสืบค้นว่าสมาธิคืออะไรต้องวางรากฐานซึ่งเกิดขึ้นได้อย่างเป็นธรรมชาติเป็นไปเองง่ายๆโดยไร้ความพยายามเมื่อมีการรู้จักตนเองและอย่างสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าการรู้จักตนเอง เป็นเพียงการตรหนักรู้โดยไม่มีการเลือกถึงความเป็นฉันซึ่งต้นต่อของมันอยู่ในกลุ่มก้อนของความทรงจำผมขอพูดต่อว่าการตรหนักรู้หมายถึงอะไรคือการรู้ตัวโดยปราศจากการแปลความเพียงสังเกตดูการเคลื่อนไหวของจิตแต่การสังเกตเยี่ยงนั้นจะถูกขัดขวางหากคุณเพียงเก็บสังสมจากการสังเกต เช่นหากคุณคิดว่าจะทำอะไรจะไม่ทำอะไรจะได้รับอะไรหรือจะไม่ได้รับอะไรหากคุณคิดเช่นนี้คุณก็ทำให้กระบวนการเคลื่อนไหวอันมีชีวิตของจิตซึ่งคือความเป็นตัวตนหยุดชะงักผมต้องสังเกตและมองให้เห็นความจริงตามที่เป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริง หากผมเข้าหามันด้วยแนวคิดหรือด้วยความคิดเห็นอย่างเช่นฉันต้องไม่ทาหรือฉันต้องทำซึ่งเป็นการตอบสนองของความทรงจำแล้วกระแสของสิ่งที่เป็นอยู่จริงจะถูกบดบังถูกขวางกัน้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการเรียนรู้จะไม่เกิดขึ้นในการสังเกตดูกระแสลมที่พัดผ่านหมู่ไม้ คุณไม่สามารถทำอะไรกับมันได้สายลมนั้นอาจพัดด้วยแรงกระนำหรือนุ่มนวล ง, งดงามคุณผู้สังเกต บ, บังคับควบคุมอะไรมันไม่ได้คุณไม่สามารถทำให้มันเป็นรูปทรงใดๆได้และคุณไม่สามารถบอกว่าผมจะเก็บมันไว้ในใจผม มันอยู่ตรงนั้นคุณอาจจะจดจํามันไว้แต่หากว่าคุณจําไว้และย้อนจาลึกถึงกระแสลมพัดผ่านหมู่ไม้นั้นครั้งต่อไปที่คุณมองดูมันคุณก็ไม่ได้มองดูกระแสตามธรรมชาติของสายลมในหมู่ไม้มีแต่เพียงความทรงจําถึงกระแสของอดีตเท่านั้นฉะนั้นคุณไม่ได้เรียนรู้ คุณเพียงแต่เก็บสั่งสมสิ่งที่คุณรู้แล้วให้มากขึ้นดังนั้นในบางระดับความรู้จึงกลายเป็นอุปสรรคที่จะไปสู่ระดับต่อไปผมมองว่าตรงนี้คงชัดเจนเพราะสิ่งที่เรากำลังสืบค้นอยู่ขณะนี้ต้องการจิตที่กระจ่างชัดสมบูรณ์จิตที่มีศักยภาพจะมองดูมองเห็นและฟัง โดยปราศจากการเคลื่อนไหวของการจำได้หมายรู้ฉะนั้นปัจจัยแรกสุดเราต้องกระจ่างชัดและไม่สับสนความกระจ่างชัดมีความจำเป็นอย่างแท้จริงความกระจ่างชัดผมหมายถึงการมองเห็นสปปรรพสิ่งตามที่มันเป็นอยู่จริงเห็นสิ่งที่เป็นอยู่จริงโดยไม่มีความคิดเห็นดใดๆ มองเห็นการเคลื่อนไหวของจิตใจคุณสังเกตมันอย่างใกล้ชิดละเอียดละอ่อด้วยความอุตสาหะวิริยะโดยปราศจากเป้าหมายและประาศจากการกำหนดทิศ ท, ทางใดๆเพียงแต่สังเกตซึ่งต้องมีความกระจ่างชัดอันน่าอัศจรรย์มิเช่นนั้นคุณไม่สามารถสังเกตได้หากว่าคุณจะสังเกตดูมดตัวหนึ่ง ที่วุ่นอยู่กับกิจของมันแต่ถ้าคุณนำเอาข้อเท็จจริงสารพัดทางชีววิทยาเกี่ยวกับมดเข้ามาความรู้นั้นจะปิดกั้นคุณจากการมองดูดังนั้นคุณก็เริ่มเห็นในทันทีว่าที่ใดที่ความรู้มีความจำเป็นและที่ใดที่ความรู้กลับกลายเป็นอุปสรรคหากเห็นเช่นนั้น ความสับสนก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อใดที่จิตกระจ่างชัดเห็นตรงมีศักยภาพที่จะอย่างถึงรากฐานด้วยเหตุผลอันละเอียดอ่อนและลุ่มลึกจิตเช่นนั้นอยู่ในภาวะเชิงปฏิเสธพวกเราส่วนใหญ่ยอมรับสิ่งต่างๆโดยง่ายได้เราถูกหลอกลวงง่ายเพราะเราต้องการความสบายต้องการความมั่นคงปลอดภัย เราต้องการรู้สึกว่ายังมีความหวังอยู่เราต้องการใครบางคนให้ช่วยเราเช่นพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทายบาก g รูหรือนักพรตคุณคงรู้ถึงความยุ่งเหยิงทั้งปวงนี้เราพร้อมที่จะยอมรับโดยง่ายดายและปฏิเสธง่ายๆเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของเรา ความกระจ่างชัดนี้หมายถึงการมองเห็นสิ่งต่างๆภายในตนตามที่เป็นอยู่จริงเพราะตัวตนคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกตัวคุณคือการเคลื่อนไหวของโลกตัวคุณคือกระแสที่แสดงออกมาภายนอกซึ่งกระแสนั้นจะวกกลับเข้าสู่ภายในดุดกระแสคลื่นที่พัดพาออกไปแล้วซัดกลับเข้ามาเพียงการมุ่งเพ่งจิต หรือสังเกตตนเองโดยแยกตนออกไปจากโลกนำไปสู่การแยกตัวโดดเดี่ยวและยังก่อให้เกิดลักษณะอันพิลึกพิกลต่างๆเกิดอาการทางจิตประสาทและเกิดความกลัวจากการอยู่อย่างโดดเดี่ยวและอื่นๆแต่ถ้าคุณสังเกต ด, ดูโลกและติดตามการเคลื่อนไหวของโลกและลอยอยู่เหนือกระแสนั้นเมื่อมันเคลื่อนเข้ามาภายใน ก็จะไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคุณกับโลกแล้วคุณก็จะไม่เป็นปักแจกชนที่เป็นปรปักกับส่วนรวมจิตต้องอยู่ในภาวะแห่งการสังเกตเยี่ยงนี้คือมีทั้งการสำรวจค้นหาและสังเกตมีการฟังและตรห น, นักรู้ผมใช้คำว่าสังเกตในความหมายนั้นปฏิบัติการแห่งการสังเกตนั้นเอง คือปฏิบัติการแห่งการสำรวจคุณไม่สามารถสำรวจได้หากคุณไม่เป็นอิสระฉะนั้นการที่จะสำรวจการที่จะสังเกตจำต้องมีความกระจ่างชัด ก, การสำรวจค้นหาภายในตนเองอย่างลุ่มลึกนั้นแต่ละครั้งคุณต้องเข้าหามันใหม่สดเสมอนั่นคือในการสำรวจสืบค้นคุณไม่เคยบรรลุผลใดๆเลย คุณไม่เคยไต่ขึ้นบันไดและคุณไม่มีวันพูดว่าฉันรู้แล้วไม่มีบันไดให้ไต่หากคุณไต่ขึ้นไปคุณต้องกลับลงมาโดยพลันเพื่อที่จิตของคุณจะชับไวปราดเปรียวอย่างยิ่งที่จะสังเกตมองดูและฟัง